คึ่งในทําโฆษณาชวนเชื่ออ น, นามาก์จันของปิรามิดแต่ถ้าเราไม่ต่าจากหลักการคิดแบบชาวตหน อ, อซึ่งยืนพื้นในบนมโนธรรมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดเหตุเชิเงเหตุผลนักเราพบว่าปิรามิดก็เป็นเจตียศของอิมโฮเทฟอาจิเต็กาบานิกคูลีรอนแต่ว่าแรงงานทั้งหมดแต่แรงงานทาสเพราะไม่มีรายละเอียดที่ท้อนออกซึ่งวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้สร้าง แต่สมมุติจะเป็นใช้หลักคณิตศาสตร์เข้าจับระยะทางมุมต่างๆที่พุ่งหมายอย่งคุ้มคือว่าสร้างมาเพื่ออะไรแ น, น่แต่ถ้าเรานํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นสิ่งน้าประทับใในยุคปัจจุบันในยุคสมัยใหม่คือบริวารแล้วเราจะพบว่าแรงงานที่นันเป็นแรงงานศรัทธาครับไม่ใช่สร้างด้วยแซ่หรือไม้ตะพดที่ทุกตีเพื่อให้ใช้แรงงานที่สร้างสิ่งเหล่านั้น ถ้ามาผู้ที่เป็นช่างหรือผู้ที่มีความละเอียดอ่อนจะสังเกตออกว่าแรงงานธาดแรงงานเกณฑ์นะครับกับแรงงานสทาต่างกันมากครับเมื่อไปที่เน่นเราจะพบสิ่งปทะหจาดคือว่ามิติเบื้องหลังการสร้างนักวิชาการคำนวณว่าถ้าใช้ช่างสักหมื่นคนต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยปีเป็นสาเร็จได้ เพราะทั้งสเกลขนาดที่มหูมานะฮะแล้วฝีมือที่วิจิตรบรรจงรายละเอียดของได้ดูในสไล์นะครับมันไม่น่าเชื่อเลยที่จะสร้างกันได้ด้วยน้ำมือน้ำพักน้ำแรงของประชากรชวาบนเกาะชวาอย่างเดียวในเลตขอดต่างๆในบทบรนทึงต่างนะฮะในประวัตินั้นไม่ปรากฏว่าในช่วงสมัยที่บรอโซถูกสร้างนั้นบนเกาะชวามีประชากรมาก ซึ่งนำไปดูข้อคิดที่ขัดแย้งอยู่ในตัวว่าทั้งนั้นงานศิลปะเลอเลิศซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยเอาแรงงานที่ไหนมาเข้าใจไหมครับที่ผมกำมังเสนอเนี่ยว่าไม่เคยมีบันทึกว่าบนกอตสวามีประชากรมากถึงขนาดนั้นสเกลมันใหญ่และงดงามเนี่ยมันฟ้องมิติหลายมิติเช่นว่ามิติทางปรชัชญาชีวิตต้องลงตัวมากสังคมต้องมีเอกภาพสูงมากจึงจะรวบรวมและสร้างฝันิ่งนี้ได้ ที่ข้อขับแย้งในทางบรังคดีประวัติศาสตร์ซึ่งนักบรางคดีรู้กันดีนะครับว่าที่ใดคือศูนย์กลางราอาณาจักรสีวิชัยเดี๋ยวนี้เรารู้ชัดนะครับว่าแบบอย่างศิลปะที่สร้างมหาสถูปนี้คือสีวิชัยภายใต้การนำของราชวงศ์ไทเลนราชวงศ์หนึ่งภูเขาสลายเลยนะครับแลราชวงศ์ไทเลนเป็นเป็นราชวงศ์ที่สําคัญมากในประวัติของพุทธศาสนาเราพบว่าพระเจ้าโศก มบีบทบาทสูงในการแผ่แขยาย ค, คําสอนของเจ้านะครับแต่ทรงทําโดดเดี่ยวนะแล้เดี๋ยวนี้นักวิชาการเริ่มท้วงติงว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธศาสนาสูญสิ้นไปจากอินเดียก็เพราะฝีมือวิจารวศกนั่นเองแต่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างมีอคติต่อท่านถ้าว่ามันสูญไปท่านคงไม่ได้เจตนาและตั้งใจเพราะท่านคานึงถึงการส่งสมณะทูตออกนอกประเทศมาก ก, ากว่าการฟื้นฟูในประเทศ แต่สำหรับกษัตริย์ราชวงศ์ไทยเรนนั้นดูเหมือนมีอะไรที่แตกต่างกันมากครับเมื่อเราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์เรียนเริ่มเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนเส้นกมักจะเริ่มต้นที่กรีกเรียนรู้วิหารความงามของพาเชนอนเรียนรู้อียิปต์แต่เราไม่เคยเรียนรู้ผู้กามที่อยู่ใกล้บ้านเรานี้เดียวเราไม่เคยรู้จักบรูโบรด์เพาะมายุ่งมากครับเพิ่งเพงรู้ซึงว่าที่จริงยอดสุดของอารยธรรมนั้น อยู่ใกล้นิดเดียวแต่เราสามารถที่จะศึกษาได้อย่างอย่างสมภาคภูมแิและเต็มใจและเป็นสุขยิ่งครับ เ, เรามาจินตนาการเล่นถึงถึงสถูปซึ่งใหญ่มากนะครับมีพุทธรูปองค์ใหญ่ๆประมาณห้าร้อยสี่องค์ฉนาะดกพห้าร้อยเรื่อง แพนเนนคือภาพฉากที่แกะสลักเป็นพันๆครับแลเรื่องชวนระทึกใจตรงที่ว่าหลังจากลัฟเฟิลได้พิสูจน์เปิดโฉมหน้าของบโรโบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อจากนั้นแวนเอิร์ฟนักปรังคดีหนุ่มอายุ25ปีได้สร้างวีรกรรมสร้างบุญคุณให้กับชาวพุทธโดยการทุ่มเทสติปัญญาของเขาฟื้นชีวิตให้กับบโรโบโตแม้เขาจะทําไม่บรรลุเป้าหมายเพราะขาดกํามาณก็ตาม แต่เขาเป็นคนแรกเลยที่ทราบซึ้งทั้งๆเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธนะฮแต่ก็เห็นความงามันบริสุทธิ์ของศิลปะจากฝีมือของมนุษยชาติอันี้นะครับปัจจุบันนี้บรูปโชได้กลายเป็นตราของยูเนสโกซึ่งเกียรติยศนี้น่าประหลาดมากยูเนสโกนองค์การสามัญชาติ น, นะฮะแต่ได้ใช้บรูปโชเป็นตราแล้วก็ออกทุนให้ประมาณยี่สห้าล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ฟื้นฟูบูรณนะ จำเดิมตั้งแต่ลาฟเฟลได้เปิดเผยโฉมอันงดงามวิจิตรลังการของบริโภรแล้วใช้เวลาอีกร้อยปีดเดมิเดมครับที่จะฟื้นคืนชีพให้ ก, กับบรบโดรหลังจากบรบโดรได้สลบสลายอยู่ในป่า ด, ดึกดำบรร น, นี้พันปีเศษคือไม่ใครรู้เรื่องราวของบริโีกลเลยพันปีเศษเป็นพันปีของการผุกร่อนพันปีแห่งตะไค่น้าและเชื้อรา ที่กัดกร่อนเข้าไปแต่ดูเหมือนว่าทีมงานที่สร้างได้แสดงร่องรอยของอัจฉริภาพของการยังรู้เหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราเห็นได้จากขนาดหินที่ใช้ก้อนเล็กๆ เ, เข้ามาเรียงกันประมาณสองล้านก้อนทำไมทำไมไม่ใช้หินก้อนใ ห, ใหญ่ๆทาไมใช้หินก้อนจิ๋ ว, วๆครับมาเรียงเลียงเลียง ผลประการเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมพอทะนึกออกนะครับก็คือ ร, รอบๆบริเวณทุ่งเกดุอันเป็ที่ที่บริวาถูกสันสร้างขึ้นนั้นคือภูเขาไฟที่ยังเป็นๆอยู่แม้ทุกวันนี้ยังค้นพันธุน์ถมงอยู่และในประวัติศาสตที่แล้วมามีการบันทึกว่าภูเขาไฟได้ค้นลาว่าออกมแล้วเป็นดินสันสะเทือนดังนั้นถ้าใช้ก้อนหินใหญ่โครงสร้างทั้งหมดจะถูกทําลายภายในคลิปตา เ, เหตุนั้นเองครับจิ้งจ้ก้อนหินก้นเล็กเพื่อขนอมโครงสร้างหลักถ้าพังแถมหนึ่งบูรณะใหม่ได้แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นด้วยครับปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากร้อยปีของการพยายามอย่างหนักของนักโบราณคดีทั้งต่างประเทศและในประเทศอินโดนีเซียนเนี่ยได้ฟื้นคืนชีวิตให้กับบริพโทอย่างอย่างน่าสังเกตยิ่งนะครับแม้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นในทอนเที่ยงวันแล้วเราอาจจะไม่สู้สกอารมณ์นัก ที่เห็นเด็กหนุ่มมุสลิมต่างๆฝ่ายปีนขึ้นไปบนบ่าของพุทธลูกเป็นท่างบนกระเสียนเพื่อถ่ายรูปแต่ว่าการที่เขาฟื้นชีวิตให้กับบรูบูโอนั้นเราหน้าใจภัยเขาได้แง่หนึ่งครับเชื่อว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะต้องปรับปรุงมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้บรูโบูโดได้แผลงฤทธิ์ทำให้คนแถวนั้นมีงานชีพกั น, นมีอาชีพกันเป็นแถวเลยครับขายของที่ระลึกก็ดีขายเสื้อที่มีประทับตราบรูโบูโ ก, ก็ดีนะครับ สิ่ง น, นี้เป็นการกลับมาใหม่แต่บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วมีความจาเป็นที่รัฐ บ, บาลเิอรมีเนีเยได้ปรับโลงลอบริเวณให้เป็นสวนสนุกซึ่งบรรยากาศไม่สู้ศักดิ์ธิ์นักแต่ไงก็ตามนะครับบระองค์ทยยังมีคุณค่าล่วงลุกการสมัยอยู่จนสั้งปัจจุบันนี้ <c oughs> มีจินตนาการนันมากมายสำหรับผู้ที่มีรักที่จินตนา ต่อมรุพโชมึงเห็นแ ล, <c oughs> แล้วก็คิดกันไปนต่างนานาอย่างน่าประหลาดครับมีตำนานเล่าลือเบื้องหลังผู้บุรณะซึ่งเป็นชาวมุสลิมเกิดในหมู่บ้านนั้นเองซึงก็ถูกบิดามารดาห้ามไม่ให้เข้าไปที่เล่นในที่ที่มีผีดุเขาหลีกแลี่ยไปก็เห็ น, นต้นไม้หนาทึบสลับกับซ้อนเห็นยอดจะถูกปละกลายแต่ผัดมาหลายปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็ค่อยๆกล้าเป็นวิศวกร เหมือนกับฟ้าสั่งให้มาบุรณะแต่เขาคือมุสลิมแต่คำสัมภาษณ์นั้นเขาสู่นังที่กินเมลพ้ทีไปสัมภาษณ์นั้นน่าทึ่งครับก็ <c oughs> บอกว่าเมื่อผมเดินอยู่ในคืนเดือนหายบนลานสถูปยอดเจดีย์ของบรอกูดอผมไม่รู้สึกว่าผมเป็นมุสลิมผมเป็นมนุษย์เขาพูดอย่างนี้เลยฮนะสำหรับผู้ที่มีความไหวอ่อนในด้านสุนทรียภาพอาจจะทราบซึ้งจนจน อ่าลืมไม่ลงครับความงามคำตระ ก, การนั้นได้แผนหัวใจของเราให้กว้างเพราะว่าแมชั่นตัดสินใจสร้างสถูกไปในแนวนอนอะไรต่างครับก่อการสรุปมันจะสร้างสูงขึ้นดังเราเห็นนนครวัดสิ่งอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งแต่สำหรับนครวัดนั้นในทัศนังผมเองนะครับเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่มหัศจรรย์เพราะว่าเป็นลูกหลานของอินเดีย และการสร้างไม่มีอะไรพิเศษนอกจากความงามเชิงสาปัะจกรรมจริงๆแล้วสู้นคนทรทมไม่ได้ครับแต่นุคนทรทมแม้สร้างที่หลังก็พุพังไปเร็วเพราะว่าเทคนิคไม่ถึงแต่นุคนทรทมนั้นได้ประสานสาปัะจกรรมนะครับเข้ากับประติมากรรมดังที่เราเห็นพระพักของพระโพยสัตว์ซึ่งเอามาทำเป็นเจดีย์ให้บรรยากาศที่พิเศษชวนพิศวงมากทีเดียวครับนุคนทรทมนั้นเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบทำ พราะสร้างจากคติมหายานคติโพนิสัตยานนะครับส่วนนครวัดนั้นเป็นการประสาน ร, ระหว่างฮินดูและพุทธกว่ากันว่าพระเจ้ามารากตเคยอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าทั้งสองสิ่งนั้นอายุอ่อนกว่าบรมโบโ ถ, ถึงสามร้อยปีครับที่ว่าจิเนาการมากมายนั้นคือรูปลักษณ์ของบรมโบโตนั้นเป็นการประสาน ร, ระหว่างปราสาสตรและสตูจงกระทั่งว่า ทิ่น่า ก, การเชื่อมโยงไปสู่เอเชียมิเนอร์ที่เขาเรียกว่าสเตปปิ้งปิรามิดขึ้นเป็นชั้นหนึ่ชั้นเทุกคนคงต้องฝันตามที่ผมพูดแต่ลไหมครับเขาขอไม่มีภาพให้ดูเดี๋ยวผมจะสายให้ดูแต่ว่าเป็นภาพประติมา ก, กรรมครับสิ่งที่น่าขึ้นที่สุดในแง่มุมของอาร์เคเต็กเจอร์ล์ดีไซน์นะฮะที่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมก็คือการใช้เสลียที่เรียเธอเลกับผนัง บีบความรู้สึกให้ค่อยๆไหลเลื่อนและแปลเปลี่ยนจากชั้นต้นไปสู่ชั้นกลางผ่านทางกาลมุกหรือโคกุระนะซึ่งเพื่อจะอธิบายถึงความลุ่มลึกของมิติเมื่อเราจิตใจชีวิตด้านในเราถูกยกระดับสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดต่อห่วงเวลาเปลี่ยนไปจึงเรียกว่ากาลมุกหน้าการหน้าแห่งกาลเวลานะ ขึ้นไปสามชั้นครับฐานชั้นแรกนั้นถูกกลบทับไว้นานเท่าไหรไม่มีใครทราบได้ครับยังน่าทึ่งก็คือที่ยังเป็นมพิจศนาต่อนักวิชาการก็คือเท่าที่เราสืบทราบก็คือเท่าที่หลักฐานเอื้อมหน่อยนั้นมื่สร้างบริโภคโตเสร็จประมาณห้าสิบปีเท่านั้นราชวงศ์ไซเรนก็ล้มสลายราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ฮินดูแต่อย่งไรก็ตามราชวงศ์ฮินดูนั้นก็ยังอุปสมบทั้าจุน พระพุทธศาสนาและบริพุธโธมันก็ชวาอยู่เหมือนเดิมเนื่องด้วยมเหสียงคหนึ่งของกษัตริย์ฮินดูราชวงศ์ใหม่นั้นเป็นพุทธมีศิลาเจลึกบ่งบอกหลักฐานว่าพระนางกราบทูลพระสวามีเพื่อจะไปนมัสการกามู ล, ลานใช้คำนี้นะฮะสิ่งทังวิชาการเชื่อนี้ต้องหมายถึงบรพวุธโธกามู ล, ลานกามู ล, ลานมันสนิฐานว่าคาหน้าเป็นภาษาชวา คำกลางมูละเนี้คือภาษาบาลีหรือสันสกิตที่แปลว่ารากเป็นนั้นมีนักคิดสันนิษฐานว่าการสร้างบริพุทธวโรทีทุ่งเกดุนอกเหนือจะให้เป็นเจดีโลกแล้วยังเป็นการศั ก, กระบัพชนของราชวงศ์ไซเรนซึ่งเป็นมูลรากเพราะบ้านเกิดของราชวงศ์นี้อยู่ที่นั่นนี่อีกประการหนึ่งนะครไม่มีใครทราบได้แน่ชัดนะครับว่าทาไม ฐานล่างถูกกลบดินได้สิบเมตรกว่าเความสูงทั้งหมดของบรบุรโดทั้งหมดประมาณสี่สิบเมตรครับแต่ถูกกลบไปสิบเมตรนักศึกษาบราณคดีบางคนออนักษาสถาปัตกรรมบางคนอาจจะรู้สึกไม่ไม่ราบรื่นใจนะักตรงที่ว่าน่าจะมีฐานสูงกว่า น, นี้แต่ถ้ามีความรู้มีความเข้าใจว่าฐานที่สูงกว่า น, นี้นั้นยังอยู่แต่ถูกกลบไว้นั่นเองครับซึ่งไม่มีใครเฉลยไปได้ คือผมพิจารณาตั้งแต่ยอดผมใาเวลานานมากครับลืมความเหน็ดความเหนื่อยและความร้อนหมดลืมอายุสังขารตัวเองหมดนะครับเดินอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามจินตนาการว่าเขามีก ร, รวิธีในการสร้างอย่างไรเช่นการบริหารบุคลากรผมเชื่อต้องตั้งหมู่บ้านทัางแล้วก็ต้องเกณฑ์ประชาชนหลายตำบลเพื่อเป็นกองเสบีนนยง สิ่งที่พบที่น่าประหลาดก็คือเขาเริ่มแกะสลักจากข้างบนก่อนเมือสร้างโครงสร้างด้วยหินเกลี้ยงๆที่ตัดเป็นก้อนเล็กซึ่งไม่มีมอเตอร์เชื่อมแต่ใช้น้ําหนักถ่วงกันเองแล้วทำเดือยสลักเพราะว่ามือมีแรงเคลื่อนของแผ่นดินอันเนื่องจากการที่ฟู้เข้าวพาระเบิดจะรักษาโครงสร้างหลักลไว้ด้เมื่อสร้างโครงสร้างทางเสาพิจารณแล้วทางเสาพิจกรรมแล้วก็เริ่มแกะสลักจากข้างบนลงมาก่อน จากแผนงานนั้นยอดเยี่ยมของนายส่้างซึ่งเป็นใครไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้หนทีสุดประชาชนเองก็ต้องสร้างใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจนได้แลวใครคนนั้นกำลังนอนหลับสนิทมาพันกว่าปีแล้วครับคือรูปลักษณ์ของภูเขาที่นอนเหยีบ ย, ยาวมีสันเขาเหาก็จมูกแลวมีเครือกเล่าก็เป็นซวงอกของผู้ที่กำลังนอนหลับสนิทและเรียกชื่อว่าคุณธรรม เชื่อกันสร้างเป็นตำนานว่าทา่านนี้คนนี้แหละสร้างแล้วท่านก็ล้มหลับเพื่อเฝ้าบรุบุโธที่เจงคือรูปสันเขานั่นเองครับไม่มีอะไรมากเท่านั้นแต่ที่นั่นคราะหดีเป็นที่ตั้งของวัดที่ใหญ่มากรอบๆเ บ, บ, บรุบุโตลิกนณาที่ได้พบก็คือจากการอ่านตำลาบ้างนะครับก็พบว่าฐานล่าสุดซึ่งสร้างกันฉากในโลกนี้จากพระธัมพีกามมิพัง ทมีหินสลักมากมายครับมากเกินกว่าที่จะเล่าเล่าได้ถีทวนแต่พบสิส่งสําคัญมากก็คือสร้างไม่เสร็จกำลัาางเดินเช่นอยู่ซาะลึกเข้าไปแล้วก็ไม่เกิดหลายรูปด้วยนะ<ม>ลากับว่าเกิดเหตุอย่างฉับพลันทันใดแล้วต้องยกเลิกทันทีแล้วก็หนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดกันทําให้นักคิดสันนิษฐานกันไปต่างๆนานานะครับผมเชื่อเหตุผลนี้มีน้ําหนักมากที่สุด ก็คือภูกรไฟระเบิดที่เท่าเราว่ามาแล้วก็ต้องหนีตายหนีหนีเพื่อเพื่อเอาชีวิตรอดกันก่อนนั้นภาพฐานล่างซึ่งจนจะเสร็จแต่ยังไม่เสร็จครับหรือไม่ทีหเหตุผลรองมาคือเอลกิดโรคระบาดผู้คนอยู่ไม่ได้ดังนั้นบริพุทธก็ล้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากินเวลาพันปีเสร็จครับยินทัเวลาครีรุ่นหลังต้องใช้อุตสาหะริยะอย่าง สูงมากครับน่าสเสริญน้ำใจเขาจริงๆเลยครับปัจจุบันนี้นั้นแม้เวลาจะผ่านมาถึงพันปีเศษภาพสลักมันเลิ่อลอยเหล่านั้นนะครับผุกร่อนไปแล้วแต่การเวลาและความผุกร่อนไม่อาจทำลายความงามอันเป็นอมะตะนั้นได้ฟังดูแปลกนะครับคือความงามก็เลยเรื่องสมมว่าเราพบวธรูป เลียนหักนยแต่เราพบปลายประดัชนีเราจะรู้ทันทีพระองค์นี้สวยหรือไม่สวยความงามนั้นทำลายไม่ได้ครับเรารู้ว่าศิลปินผู้ส ร, สร้างองค์ น, นีเน้เข้าถึงความงามเพียงใดเส้นสายแม้จะเหลือน้อยนิดเนี่ยเราจะจินตอาการต่อได้ว่าทั้งองค์จังงดงามเพียงดใดนะครัที่บรุทรก็เป็นอย่างนั้นครับมีภาพมากมายชั้นที่สองก็เป็นฉากของรูปภูมิครับ อันแรกเป็นกามภูมิเมื่อเราเดินเหนื่อยแล้วนะครับเราจะยกระดับขึ้นสัมผัสพุทธประวัติแบบมหายาลและชาดกเรื่องสุดทนมโนราซึ่งน่าแปลกนะที่คนไทยอยู่ในประเทศนี้เท่าไหร่ร น, นะครับเจ็ดิบล้านได้ไหมครับผมเข้าใจประมาณนอกประเทศก็ประมาณ70เจ็ดสิบล้านโดยเฉพาะคนไทยแคว้นอัสสถ้าเราไปถามเขาว่าบัพชนเขาคือใครเขาบอกบัพชนคือโนรา หรือที่เราไปถามคนปักใต้เนะถามคนปักใต้จนะสอนลูกสอนหลานทุกเล่นมาบอกพวกแกมันตายายโนราเขาเลยนนะคคือบัพปชนเป็นโนราเนี่น่าแปลกสมมติตนนั้งแต่ชิงรายจดสงขาปัตานีนะีวันรรมเรื่องสุดทนนี้ได้แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของเขากินดีนั้นนั้นคือถ้าเทียบไปทางฝรั่งตันต ก, กขึ้นนิมสัตว์ครึ่งนกครึ่งคนนะซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ จการที่พรกษุทนต้องออกติดตามอย่างแสนเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้รับสัตว์แสนสวยและสัตว์ซื่อที่สุดฉลาดที่สุดเมื่อคืนนั้นแทบจะใช้เวลาตั้งทั้งชีวิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันพอที่ยินชื่อเหล่านี้งคงนึกถึงสี่ประธานสี่ใช่ไหมครับดังนั้นแสดงว่าชาดกเรื่องนี้ที่จริงนั้นเป็นโครงสร้างภายในของมนุษย์ กิมมารีนั่นคือสัตว์แสนสวยสิ่งที่สวยที่สุดซื่อที่สุดดีที่สุดซึ่งหลังจากได้รับมาแล้วไม่คุ้มครองให้ดีเธอก็โบกปีกกลับสู่หิมพานกลับสู่เขาไกร ล, ลาศที่อยู่ของบิดาเธอแล้วก็ทิ้งร่องรอยพระธรรมลงยาหอหนึ่งสมจําให้หมดให้พระสุชนสวามีที่รักแล้วสั่งพระฤาษีจะบอกความว่า ขออยากได้จิตตามไปเลยทางนี้ไกลนักและแสนกันดานแต่ถ้าจะตามจงจับลูกลิงตัวเล็กๆนําทางไปแล้วจงปฏิบัติตามข้อแนะนําเหล่านี้ให้ถี่ว้วนที่จริงเป็นโครงสร้างทางธรรมครับผมเคยบรรยายไว้ที่การประชุมนานาชาติครั้งหนึ่งถึงความสําคัญของสุทณะชาดกมองแง่หนึ่งเป็นการชาดกธรรมดามองให้ลึกเป็นการเดินทางภายใน ป่าหิมพานนั้นจะพลนาถึงดงหวายดงไผ่ต้องผ่านภูเขากระทบกันต้องรอดใต้ท้องช้างต้องเดินบนสพานงูเหลือมอะไรเหล่านี้นะคซึ่งที่จริงเข้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาเสกสร้างให้เป็นตัวละครเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี้มานะเพื่อจะสอนธรรมะชั้นลึกภายใต้รูปของนิทาน สิ่งนี้จู่แกสลักไวอย่างวิจิตมหัศจรรย์มากที่บริบูรณนะครัสองเรื่องคือสุทนของฝ่ายเทรวาดดังที่เล่าแล้วและสุทนกุมารผู้แสวงหาภูมิปัญญาของมหายานซึ่งเขาสร้างคล้ายกันมากแต่คนละเรื่องนะสุทนกุมารของมหายานนั้นใช้หนุมผู้ออกแสวงหาปัญญาเพื่อเข้าถึงการตรัสรู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เขาดั้นนต้ไปหาเทพธิดาราตรีต้องไปพบคอนโ น, น, น, น้นคนนี้ไปหากุบาตานท้ายสุดก็ซัดเซไปนั่งอยู่ใต้ปร า, าสาทของพระโพธิัตว์สีอาระยะเมตไตรแล้วรู้ธรรมะที่นั่นนะรเราเห็นโครงสร้างสองเรื่องมีแล้วเราพบว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องการดั้นดนค้นหาความปริงของสี่มิติดังนั้นเองนะครับผ่้ทั้งสิ่โลก ที่เป็นเมืองพุทธจะคุ้นหูกับเรื่องจุทนมโนราหรือนางมโนราเนียมากแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในรูปของการฟ้อนลำเล่นเพื่อสนุกสนานหลังจากครั้งหนึ่งในอดีตในยกของการสร้างศาลังนั้นเต็มไปด้วยแก่นสารเป็นศาสนพิธีประากาศเมืองฟ้อนมโนราเขาไม่เล่นอนะผมเคยให้คนภาคกลางไปดูตกใจเลยพเพราะเาคิดว่ามันเหมือนฟ้อนเล็บทงเงใหม่ที่จริงคนละอ่อน มโนราบูชาญาณนั้นเป็นพิธีกรรมศักนาเขาฟ้อนเพื่อบวงสวงต่อเทพเจ้าต่อพระโพธิสัตว์ okay. <c oughs> ผมได้พัลนามาพอสมควรในเวลาแล้วนะฮะที่จริงได้ลิ้มลองนิดเดียวเท่านั้นเองแค่จิ น, นินการคล้อยตามคำพูดเพ้อพกของคนที่ <c oughs> ไปหมายมั่นไว้กับบุรุบโบุตรท่นั้นเองผมคงต้องเดินทางไปอีกหลายหนถ้าเป็นไปตามที่คาด ปัจจุบันนี้ผมได้ได้สื่อเรื่องนี้ให้กลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาศิลปะได้รับทราบบ้างแล้วและหลายคนรู้สึกถึงความสําคัญที่ต้องกลอกไปสู่รากเง้าของศาสนร์ศนสินหลังจากที่ปล่อยตัวเองให้เตลิดเปิดเปิงไปสู่เอศิลปะที่มันมีค่าห ล, ลายความหมายอะไรเหล่านี้นะฮะตอนนี้ขอดูสไลด์กันขอให้เป็นที่เป็นข้าวโครงเท่านั้นครับ ภาพตัวนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับนะครับแล้วก็นี้เป็นส่วนหนึ่งบนฐานหรือเหมือนจะเป็นฐานที่สองครับผมจําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรียงลาดับแล้วนี่จะจําได้เพราะภาพมันมากเหลือเกินครับเป็นพันๆภา พ, พ, พ, พครับว่ากันว่าจากฐานที่เราเดินประทักษิณ น, นะครับขึ้นไปสามชั้นเก้าระดับสามคือเลสเลสสยามสามเก้าระดับนับ้นะ รวมระยะทางแล้วประมาณสามกิโลเมตระะเฉพาะบนองค์พรอาหารสุตุป น, นี้นะครับต่อไปครับเรื่องที่เหมือนสำหรับผู้ที่รู้เรื่องใช่หรือป่าแค่ไม่ต้องอธิบายเลยครับว่าความหมายยังไงนะ่รต่อไปครับผมอธิบายได้ก็จะบอกที่เหมือนเป็นฉากของเจ้าชายเมื่อสมัยที่ ก็ลองพื่อกำลังครับฝ่ายบ้านเราไม่มีนะฉากนี้เพียงแต่ว่าเจ้าชายเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆ่างนะครับเหมือนฉากนี้เป็นฉากของการยิงขั่วตาลด้วยคนูครับที่เล่าซึ่งควรใน ก, การเล่าสู่ลูกหลานครับว่าในการแข่งกีฬาเนะี่ยเจ้าชายหรือผู้ที่มาเป็นผู้เจ้าในอนาคตหรือผู้ที่จัดสู่พระโพธิยา น, นั้นไม่มีวิธีการเอาชนะผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดความเคียดแค้และนิสยาเล่าไว้ในประวัติบางตอนว่าเมื่อทรงม้าแข่งกับเจ้าชายซึ่งเป็นพญาติตรงชักม้านำพอให้รู้พลังตัวเองพอรู้ชัดตัวเองชนะแน่แล้วก็แกล้งแพ้แกล้งหย่อนม้าเพื่อถนอมน้ำใจผู้อื่นบางทีนี่จะเป็นร่องรอยของของการต่อสู้อีกแบบหนึ่ง ไม่แค่ความงามดูนะเดี๋ยวนี้กรุระโตได้ใช้ภาพนี้นครับภาพเจา้าชายมังนาถันูนี่ครับซึ่งสง่างามมากนะเ่ปั้นไว้ในทางเข้ากรุพุโตต่อไปครับที่เห็นดำๆนั่นคือตะไคา่น้ำครับทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่นักเคมีได้รวมมือกันคิอเคราะห์ถึงเชื้อไวรัส ต่างๆที่เกาะอยู่แล้วพยายามทุกวิธีทางที่จะจัดการให้หยุดการแพร่ขยายและการตัดกร่อนโดยไม่ทำลายเนื้อหินครับซึ่งเป็นงานที่ยากแสนแสนตอนไปเห็นเจ้าหน้าที่ก็บันจงเอาสํารีค่อยๆแตะทีละนิดด้วยความเพียนอย่างมากครับผมเชื่อว่าแม้พนักงานเหล่านั้นจะไม่ทราบึ้งใน เขาพูดักนาแต่เขาคงรักสถานที่นี้อย่างมากนะครับวันนี้เองที่ผมเล่าให้ฟังสุดทนของมหายาณ น, นะครัคนหนุ่มซึ่งสอบแสวงหาความรู้เพื่อการรัรูุ้สักนี้ดูเหมือนจะไปกราบเทพธิด า, าลาตรีวิสุทนของมหายานแปลกนะเรียนจากครูทุกเพศเรียน เหรียญจกากศัตรูนะวิชาที่เกี่ยวกับการัลยนุนั้นผ่านมาทางเทพธิดาซึ่งเป็นสตรีเทพที่เขาไปกล่าวถ้านั้นคือท่ากล่าวครับเราจ้องนึกนะครับว่าชุวงทาของเราปัจจุบันนี้เนี่ยคลี่คลายเปลี่ยนแปลงมากแล้วเดี๋ยวอะเห็นภาพเจ้าชายขี่กันธกาออกบทจะตกใจครับเพราว่าถ้าของเราไม่เหมือนในของเขาต่อไปครับ ผมนึกไม่ออกว่าเป็นภาพตอนไหนนะครับแต่ว่าภาพสุนใหญ่แสดงอารมณ์นะครับเมื่อผมเดินอยู่ที่เสลียงนั้นรู้สึกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวภาพตอนนั้นมีชีวิตชีวามากๆครับอย่างน่าทึ่งดีเลครับต่อไป ค, ครับที่เห็นเป็นรอยแนนครแง ห, หินนะครับแสดงถ้าหญินก้อนเล็กเห็นไหมครับซึ่ง จักรยานอันี้เห็นได้ว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจใช้หินแท่งเล็กที่ฐานล่างนั่นเองซึ่งไม่มีรูปปั้นไม่มีรูปแกะสลักเลยก็ยังใช้หินแท่งเหล็กครับที่จริงแล้วที่ตรงนั้นซึ่งไม่จําเป็นต้องแกะสลักใช้หินหินแท่งใหญ่ได้แต่เขาไม่ทําเพราะเพื่อทุกหน่วยมันขึ้นขายได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็สามารถบูรณะซ่อมแซมได้ง่ายเพื่อถนอมโครงสร้างหลักเอาไว้ ท่านไม่ต้องอธิบายเลยใชหมฮะเหมือนเป็นปรัชญาปรมีกาครับเป็นร้อยร้อยพันพันเลยนะรูปอย่างนี้นะแล้วก็เึ็นแบบฉบับเป็นจายของจินตภาพซึ่งขี่คลายจากอินเดียแล้วครับถ้าเราเห็นรูปปณิมกรรมของอินเดียนะั้นเราจะพบว่าเต็มไปด้วยพลังนาจของเทพเจ้าเนี่ย ผู้ตากษาชบ้านคือ ข, ขึงขังแต่ว่าเมื่อมาถึงที่เกาะชวานะครับฟิลเป็นผู้ ส, สร้างสิ่งเหา น, นี้แม้จะได้รับอิทธิพลของอินเดียที่เรกวาอินเดียนไนเซชันก็ตามถ้าจได้บวกกับอุณิสัยใจคอของชาวชวาซึ่งอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์มากก็เกิดรูปทรงและศิลปะที่เรียกว่าสีวิชัยขึ้นงดงามยิ่งครับต่อไปครับ อันนี้ผมไม่อออกครับภาพเย็เอียงอยีกด้วยต่อไปครับเออผมผมนึก <c oughs> เหตุการณ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะอยู่ชั้นบนที่สุดสามชั้นนั้นนายช่างตัดสินใจอย่างแั่นยํางเลยครับชั้นล่างจะแกะสลักแบบที่เรียกว่าไฮรีลิกคืมีความลึกมากเหมือนชัดเจน ชั้นกลางขึ้นเป็นรูปภระภิมอันแรกเป็นกลางกรมรภูมิดูเหมือนไอ้ความลึกตื้นขึ้นพอชั้นที่สามนี่เป็นโลนรลิฟเละเบาบางขั้นที่สี่เป็นโลกุตระภูมิหายอเไรครับไม่มีรูปแบบนี้เล้วทุกจุดถูกมองอย่างสารวจตรวจสองโครงสร้างทั้งหมดนอกเหนือจากทางวัตถุแล้วเป็นเครื่องสะท้อนโครงสร้างภายในกลารรพบรูพบอรูกพบแล้วโลกุตระภูม ดูต้นไม้ครับเขาออกแบบได้เป็นเป็นร้อยพันพันลักษณะนะครับเื็นตัวต้นไม้แห่งชีวิตที่งอกเงยอย่างในสงส่วนเลยฉันบนสุดนี้สร้างจากพระคำภีคันทะวายุหาของมหายานครับ